186จิตใจที่มีอาการในปัจจุบันนี้คือความจริงแท้ทุกขาอาริยศาสตร์จึงต้องรู้จักกันในปัจจุบันและจัด ก, การให้มันสิ้นไปให้ได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นสำคัญที่คนพึงทาดังนั้นจะว่างก็ทาที่จิตใจ ทำให้จิตใจมันว่างจากกิเลสนั้นๆแก้ธรรมะคือแก้กันตรงนี้แก้กิเลสที่อยู่ในจิตใจของเรานี้ดังนั้นว่างก็คือจิตนะที่เกิดอาการว่างไม่ใช่อะไรอื่นในส่วนที่เป็นอดีตหรือในส่วนที่เป็นอนาคตนั้น มันมีอยู่แล้วแต่จะเกิดเป็นอดีตรเราก็ต้องทาในปัจจุบันจะให้เป็นจริงมีจริงในอนาคตรเราก็ต้องทําที่ปัจจุบันจึงจะเป็นของจริงเกิดขึ้นมาให้เห็นเป็นจริงได้นี่คือประเด็นแรกที่ต้องไม่หลงผิดอดีตก็ต้องเกิดจากการทาในปัจจุบันแล้ว อานาคตก็เดินทางมาถึงปัจจุบันจึงจากระทาได้ต้องทำกันที่ปัจจุบันทั้งนั้นสำหรับอดีตนั้นอย่าหลงไปทำอะไรกับมันวางมันไปเลยเพราะอาดีตมันแล้วไปแล้วรู้ภาวะที่เรากำลังประทำกับมันอยู่นั้นให้ได้ว่าเรากำลังทำอยู่กับความเป็นอดีต แก้ไขให้มันเป็นอะไรอีกไม่ได้เหมือนข้าวสุกที่หุงสุกแล้วนั่นแหละจะแก้ไขให้ข้าวสุกกลับมาเป็นข้าวเปลือกใหม่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอนาคตก็เช่นการรู้ภาวะที่เรากำลังกระทำกับมันอยู่นั้นให้ได้ว่าเรากำลังทำอยู่กับความเป็นอนาคต ยิ่งถูกหลอกให้ฝันไปกับวิมานในอนาคตอย่างมืดมัวโมหันกันนั้นยิ่งเพ้อพ ก, กันไปใหญ่อย่าไปมัวทำอยู่กับภาวะลมๆแรงๆอย่างนั้นกันเลยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอย่างนั้นหยุดหลอกกันบ้างเถิด